เสียงอ่านหนังสือชุดมนุษย์เกิดมาทำไมเล่มที่15หตอนอัตธกถาธรรมบทแปลจากพระบาลีภาคที่6เรียบเรียงโดยพระอาจารย์สุวัตสุวัฒโนพิทักวงศ์อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็กเสียงอ่านโดยอริยาคุณพุทธธรรมชมรมผลดีจัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยคุณอรวรรจตวรรวัฒนกูลคุณชนากาโหลทองคุณนภัททองภูเบศคุณสุพมาศบุญประเสริฐ คุณอเนกลีมงคลกุลคุณวราพรและครอบครัวธนลือพระธรรมปตธกถาแปลภาคที่หเรื่องโพธิราชกุมารพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในเพศกาลวันทรงปรารกโพธิราชกุมารดังได้สดับมาโพธิราชกุมารรับสั่งให้สร้างปราสาท จือโกคโนตซึ่งแปลว่าบัวแดงมีรูปร่างไม่เหมือนปราสาทใดในแผ่นดินปานประหนึ่งลอยอยู่ในอากาศเป็นศิลปะครั้งแรกของนายช่างจึงคิดค่าในช่างเสียเพื่อมีให้ไปสร้างแห่งอื่นอีกจึงตรัสสั่งมานพบุตรของสันชีวกผู้เป็นสหายรักของตนมานพคิดว่าศิลปะนี้หาค่าไม่ได้จึงคิดช่วยเหลือมานพแม้การงานที่ปราสาสสำเร็จ ก็จงทูลว่ายังไม่สำเร็จยังเหลืออีกมากขอให้พระองค์ขนไม้แห้งหาแก่นไม่ได้และให้ห้ามคนภายนอกเข้าไปในบริเวณก่อสร้างเว้นไว้แต่ภริยาของนายช่างส่งอาหารเท่านั้นนายช่างถากไม้เหล่านั้นอยู่ในห้องห้องหนึ่งทำเป็นนกครุฑสำหรับตนบุตรและภริยาของตนนั่งภายในได้เหล่าสั่งให้ขายสมบัติที่มีอยู่ในเรือนแล้วเก็บเอาเงินละทองไว้ ฝ่ายพระราชกค ม, มานรับสั่งให้จัดเวรยามรักษาประโยชน์ของนายช่างแม้นายช่างเวลาที่นกสำเร็จเขาสั่งภริยาละบุตรให้นั่งในท้องนกออกไปทางหน้าต่างหนีไปแล้วเขาไปลงที่หิมมวันตประเทศสร้างนาครขึ้นได้เป็นพระราชาทรงพระนามว่ากันทวะหนะแปลว่าผู้มีท่อนไม้เป็นพาหนะฝ่ายพระราชกุ ม, มาน ได้ทำการฉลองประสาททูลนิมนต์พระสาสดาประรมของหอมผสมกันสี่อย่างทรงลาดแผ่นผ้าน้อยตั้งแต่ธรณีแรกอธิษฐานขอบุตรและธิดาถ้าจะได้ขอพระสัสดาพึงเหยียบผ้านี้แล้วลาดผ้านั้นไวครั้นพระสาสดาเสด็จมาไม่ทรงเสด็จเข้าไปเท้าเธอกราบทูลเชิญเสด็จและอ้อนวอนอยู่ถึงสามครั้งพระสาสดาก็ไม่เสด็จ พระอานนท์ทราบด้วยสัญญาจึงทูลให้พระราชกุมารเก็บผ้าขอให้ทรงเก็บผ้าทั้งหลายเสถิดพระผู้มีพระภาคไม่ทรงเหยียบผ้าเพราะพระตถาคตทรงเล็งดูหมู่ชนผู้เกิดภายหลังไม่มีครั้นเท้าเธอทรงเก็บผ้านั้นแล้วพระสัสดาเสด็จเข้าไปภายในเท้าเธอทูลถามพระศัสดาถึงเหตุแห่งการที่พระพุทธองค์ไม่เหยียบผ้า ทรงตรัสว่าเท้าวเธอจะไม่มีบุตรเพราะความที่พระองค์กับพระชายาเป็นพูดถึงความประมาทแล้วในอัตภาพก่อนลำดับนั้นทรงนำอดีตนิทานแสดงบุรภาพกรรมของพระกุมารและพระชายาในอดีตการมนุษย์หลายร้อยคนแล่นเรือลำใหญ่ไปนในมหาสมุทรเรืออับปางสองสามมีภริยาคว้ากระดานได้แผ่นหนึ่ง อาศัยว่ายไปสู่เกาะมีหมู่นกเป็นอันมากบนเกาะนั้นเขาไม่แ赖เห็นสิ่งอื่นที่ควรกินได้ถูกความหิวครอบงำแล้วจึงเผาฟองไข่นกทั้งหลายกินจับลูกนกทั้งหลายปิ้งกินจับนกทั้งหลายปิ้งกินแม้ในปฐมวัยมัชิมะไวยและปัจฉิมะไวยก็ได้เคี้ยกินอย่างนี้หละพระสัสดาครั้นทรงสแสดงบุรภากรรมนี้แล้วตรัสว่า ถ้าพระกุมารและพระชายาแม้คนใดคนหนึ่งไม่ประมาทในวัยใดวัยหนึ่งในวัยทั้งสามนี้เราไซบุตรฤทธิดาจะกอาศัยผู้ไม่ประมาทนั้นเกิดผู้สาคัญตนว่าเป็นที่รักอยู่พึงไม่ประมาท ร, รักษาตนแม้ในวัยทั้งสามเมื่อไม่อาจรักษาได้อย่างนั้นพึงรักษาให้ได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่ง ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถ า, าว่าถ้าบุคคลทราบตนว่าเป็นที่รักพึงรักษาตนนั้นให้เป็นอันรักษาด้วยดีบัณฑิตพึงประคับประคองตนตลอดยามทั้งสมแม้ยามใดายามหนึ่งในการจบเทศนาโพธิราชกูมานั้งอยู่ในโซดาปฏิผลแล้วพระธรรมเทศนาได้สำเร็จประโยชน์ แม้แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้วดังนี้แหละ